จะมาติดตาประวัติของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์กันค่ะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นี่นะคะก็อย่างที่เล่ามาถึงเมื่อวานนี้แล้วว่าชีวิตนี้พีคสุดๆหลังจากที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะแล้วก็ดังต่อเนื่องมาเพราะว่าผลงานตั้งแต่ปี2525นี่เนี่ยจนถึงปี2535 10สิบปีเนี่ยเป็นสิบปีทอง เพลงที่ออกมาทุกเพลงนี้ปังทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นจะให้รอพอสอไหนนัดพบหน้าอำเภอสาวนาสั่งแฟนทิ้งนาลืมทุ่งคนดังลืมหลังควายเออหื้อหล่ อ, หอจังห่างหน่อยถอยนิดคิดถึงน้องบ้างนะหนูไม่รู้หนูไม่เอาพี่ไปดูหนูไปด้วยแล้วก็เพลงที่ บอกเล่าถึงประวัติชีวิตของเธอคือโลกของพึ่งซึ่งเพลงนี้นี่บอกเลยนะคะว่าถ้าไปดูในเทปเก่าๆเนี่ยคุณพึ่งนี่ถึงขนาดว่าร้องเพลงไปร้องไห้ไปอย่าคิดดูท่านผู้ฟังคือชีวิตเธอรันทดค่ะคือมีแฟนคนแรกก็แฟนก็ไปปันใจไปหาน้องสาวตัวเองซะ ง, งั้นพอแต่งงาน กับสามีคนที่อยู่ร่วมกินร่วมกันมาเนี่ยก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแต่ว่ามันก็มีเทปบันทึกลับของคุณพุ่มพวงเนี่ยนะคะเขาก็เล่าประวัติว่าตอนที่ตัวเองอยู่โรงพยาบาลก็ไม่สามารถจะเบิกเงินออกมาใช้จ่ายได้เพราะว่าสมุดบัญชีก็อยู่กับสามีแลวตัวเองก็ เขียนลายเซ็นอะไรอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่ะค่ะทุกอย่างก็เลยต้องทนรักษาอยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีเงินทั้งทั้งที่มีเงินอยู่ประมาณหล้านบาทในบัญชีสมัยนั้นนะคะก็เอาออกมาใช้ไม่ได้อะ่ะคิดดูคะท่านผู้ฟังก็ย้ายโรงพยาบาลไปย้ายโรงพยาบาลมาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยถึงขนาดที่ว่าทะเลาะกับสามีและพบว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไตขั้นรุนแรงค่ะแต่ว่า พอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริรานหมอก็บอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรค sle หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองซึ่งโรคเนี้ยภูมิแพ้ของตัวเองเนี่ยจะเป็นภัยแล้วก็ทาร้ายเจ้าของร่างกายนั่นเองคือไม่มีใครมาทำอะไรเธอเธ อ, อทาคือมันป่วยของมันเองแล้วตัวก็จะเริ่มบวมขึ้นบวมขึ้นช่วงนั้นก็ไม่ได้พบหน้าลูกคือน่าสงสารนะคะ แล้วก็ญาติเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะถูกคุณไสนะก็เลยพาเธอเนี่ยไปทำพิธีทางสายศาสตร์ที่จังหวัดพิษนุโลกแล้วก็นั่งรถตู้กันไปแต่ภายหลังเนี่ยหลังจากที่กราบไหว้พระพุทธชินราชพอบ่ายโมงก็เธอก็ช็อกเลยค่ะก็หมดสติญาติเนี่ยนะคะรีบนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชด่วนเลยและเธอก็หมดลมหายใจลง ตอนสองทุ่มในคืนนั้นซึ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเสียชีวิตในอายุแค่ยี่แค่แบบ30ิปีเท่านั้นนะคือน้อยมากๆเลยนะท่านผู้ฟังคือไม่อยากจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเธอทำงานหนักเกินไปตั้งแต่อายุส5จนถึง30 15หปีนี้ทำงานหนักจริงๆออกเพลงออกเทป แสดงละครแสดงภาพยนต์เยอะค่ะเยอะมากๆ ก, ก็อาจจะทำให้ป่วยแล้วก็เป็นโรค SLE ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณพุ่มพวงจะลาลับจากโลกไปแล้วแต่ผลงานเพลงของเธอเนี่ยก็เป็นแม่แบบให้นักร้องเพลงลูกทุ่งยุคหลังๆนำมาร้อง มากมายใครต่อใครเวลาจะประกวดร้องเพลงก็มักจะนาเพลงของพุ่มพุ่มพวงมาใช้แล้วก็มีการสร้างหุนรูปปั้นหุนขี้ผึ้งจำลองคุนพุ่มพวงนะคะถึง7หุ่นโดย6หุนนอยู่ที่วัดทับกระดานส่วนหุ่นที่7เนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุทโซ่ อยู่ที่กรุงเทพนะคะซึ่งถือว่าเป็นนักร้องอัจฉริยะชีวิตของเธอเนี่ยสร้างความบันเทิงเพลิดเพลินให้กับผู้คนทั่วไปแต่เบื้องหลังเนี่ยชีวิตรันทดมากทำอะไรก็ไม่เคยได้รับความสบายใจเลยว่างั้นนะคะแต่ก็เชื่อว่าคุณพุ่มพวง คงไปดีแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะได้มาฟังเพลงผลงานของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์โลกของพึ่งกันนะคะ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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูล r i ร h ์สัญจรบอกเล่า90้ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูล r i ร h t ค่ะวันนี้นะคะทางรายการมูล r i g h ์ได้อยู่กับคุณวันเพนโอสถค่ะซึ่งคุณวันเพนนะคะมีความประทับใจในผลิตภัณฑ์มู b r i ร h t ค่ะสวัสดีค่ะคุณวันเพนโอสถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็บ้านเลขที่เลยค่ะอาือวันเพโอสดจ้าค่ะ อยู่าันวางบางแก้วเอซีบานเจ็ดสามทับ5้าค่ะค่ะเจ็ดสิบสามทับห้าค่ะตำบลอะไรคะตบมันวางจ้ะตบโตตบบางแก้วจ้ะค่ะอำเภอค่ะอำเนอพกทธิสยจ้ะจังหวัดค่ะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ คุณป้าคะก่อนที่จะมารู้จักกับมูนไบรท์เนี่ยคุณป้าเป็นอะไรมาคะกระดูกทับเส้นมานานดินนี้แล้วตั้งแต่อายุยี่สิบกว่ากวาแล้วนะ่ะอืมค่ะแล้วยัง เ, เดินเหินได้ค่ะแล้วตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะอนนี้หกสิบสี่แล้วโอ้เป็นกระดูกขับเส้นมาสี่สี่ตอนอายุหกสิบใช่ไหอือ อ๋อเป็นกระดุกทับเส้นตอนอายุหกสิบนะอ่าค่ะก็คือเป็นกระดูกทับเส้นมาสี่ปีนะคะค่ะแล้วอาการของคุณป้าเป็นยังไงบ้างะคะมันจะปวดขาเปลี่ย น, ยนกันปวดปวดแล้วก็แบบมันปวดมากๆเลยพี่ต้องไปต้ยหมอวันนั้นโหลแล้วมันนวดนะอะร้อให้เชิญตาแต่ก็แฉแล้วก็พอเบาระรถก็ได้ได้ยาทําทอะไรได้มันกระดูงขับรถก็ เ, เป็นอีก แล้วเราข่าวในทุกอย่างเลยกินเป็นไม่ค่อยได้หักยามจ ะ, สะแสลงหมดมคือว่าเป็นโรคเาวไปเจาะเลือด ห, หมอก็บอกไห้ใช่โรคเกาตบอกกระดูกเสือ่อมค่อะอารักษาตัวมาตลอดไอดีก็ซื้อกินหมดคเรียกว่าทำมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะอ่าแล้วเออเวลาป้าเดินเนี่ยเห็นว่าต้องใช้ตัวช่วยด้วยเหรอคะ ใช้อคกอกี่่นมันกาะนี้ไม่ได้ใช้น้ำเดินไม่ได้ไม่ได้มากแล้วเพราะว่าหลุดนั่งพักหลุดนั่งพักเหนด่ใส่ได้จะใช้ป้าใช้โต๊ะปันจะติดเป็นตัวหนึ่งแต่ก็ถือไปด้วยพอแล้วเหนื่อยแล้วก็นั่งพัก ม, มากช่วงมันเป็นโรคไตเลยหมอบอกเป็นโรคไตอันทีสี่มันจับเนื้อกับตัวทีมันจะเจงไปหมดเลยออืขาเหยียดไม่ออกหามันจะจะหดตอืะขามันอ่อนค่ะลุกไปไม่ได้ยันไม่ได้อออืื เรียกเนี่ว่าแบบยิ้มป้ามันร้องยินญาทุกอย่างก็ไม่ได้ทนน่ะนนี้มันเจือมูลลายยินเนี่ยป้าได้ยินแต่ยูฟังก็ร้องค่ะอดี๋ยวั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ในร้องหลังก็ลองดูแต่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะค่ะอือแล้วป้าลองแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องแล้วชุดชุดแรกชุดแรกอะ่ะมันก็ตุดเออเราก็ดีขึ้นอือโดยมาก้มันมันจะดีมากที่สุดเลยค่ะยิ้ป้ามันมันเป็นตามข้ออ่ะข้อมือข้อ พออ้อศอกข้อหวัวไหล่มันจะไม่มีแรงอืพี่ป้า ก, ก็ว่าเออเดินไม่ได้กระชังมันเดินจะให้แขนขานมันดีเราก็ได้ท่าทํางานได้ซึ่งไงก็เออเดินไม่ได้กระชางมันเดินเอากินได้แขนขาแข็งแรงแล้วกันอก็กดีขึ้นนิดหน่อยแต่มาถึงก็ก่อนมันก็เกจ็บจนตัดา้ำหน้านไม่ได้เลยอพอมีมันก็ดีขึ้นค่ะติดผ้าติดทอนได้ออืค่ะแล้วตอนนี้คุณป้า ล, าลา่างหมอนั่งกระชาก็ได้ ค่ะแล้วคุณป้ามองว่าของมูลไรท์อะค่ะราคาราคาเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับสิ่งที่ป้าอาการดีขึ้นนะคะป้าว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่าป้าก็อยู่ในอีกฝั่งนี้เนี่ยแล้วลองมาทุกอย่างแล้วนะถ้าไม่อยากจะเอ่ย้อนะทุกอย่างอะเนี่ยราคาทนายป้าเขซื้อมากินแต่ว่าเข้าไปดีก็ไม่ได้นะมันก็ผุอย่างนึงเห็นเจ้าเปียโหัวเนี่ย แล้วะจะหายไปค่ะแต่ที่แล้วมันรับมันได้หลายโรคด้วยอืมค่ะแล้วเนี่ยอยู่ในพ่อเองไ่้หนูหนนยนี่แหละคุณไลน์นี่แหละค่ะค่ะแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากสําหรับคนที่เป็นอาการแบบคุณป้าบ้างไหมคะเอยถ้าเป็นน่ะป้าแต่วัดกินยามันได้หลายยออแล้วนะค่ะมัเลยวัดทุกยออแล้วก็อยู่คึ้นเยอะร้องหมดเพราะว่าเราต้องอรักษาตัวเอง อัไหนว่าดีก็ตื้อกินผู้ประสบก็ต้องตื้อมากินแต่นี้ต้องตื้อมากินมันก็ไม่ดีขึ้นผู้ถูกมูไลเนี้ยไอเทนก็ร้องเถอะลองดูนะค่ะจุดเล็กเขาก็มีนะลองดูมันไม่แพงแล้วก็กินได้ค่ะป้าอยู่เลทุกวันก็ต้อนในมูไลนี่แหละโอ้โหขอบุณค่ะค่ะระบกยาพี่น้องเนาะไอเทนก็ไม่มีหน้าม่าไม่มีอะไรก็ลองมาทุกอย่างแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องรักษาตัวเอง ค่ะค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณป้าวันเพ็ญโอสดเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะคุณป้ า, าค่ะค่ะาชามือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบท์จ้ำ ชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรจะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูลไบรสอบถามได้ที่เบอร์0 8, 7 7. 0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสเกสหเกเจดเจำศูสมเกสหเกเจดเจด เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณแพงโพส้อยกันค่ะสวัสดีค่ะครับเนี่ยนะที่มันเออไอ้หนูหนูจะถามลุงว่ามันกินแล้วเป็นอาการยังไงเลยอ่าว่าใช้น้ํามันแล้วเป็นยังไงใช้น้ํามันแล้วมันเนมันน้ํามันเนี่ยมันเมื่อก่อนมันทามือทาเท้าใช่ไหมเล่าก็าทาแล้วเขาว่ามันหายอ๋อเดี๋ยวนะคุณลุงเออคุณลุงอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งหกสองทนค่ะหมู่ มูสีตําบลเจริญผลตําบอรบรรพฤษพิศเสสจังหวัดค่ะนครสวรรค์อ่นาคอนครสวรรค์ น, นะคะคุณลุงเล่าว่าคนใช้เนี่ยเป็นใครคะคนใช้ก็คือเป็นพวกบ้านของลุงเลยไงนะฮะอ๋อเป็นเพื่อนบ้านของลุงอ่อาอลแล้วเออก่อนที่จะใช้เนี่ยอาการเขาเป็นยังไงมาบ้างคะเขาเป็นปวดปวดไอตามเนื้อตามตัวอะไรเนี่ยมันยกขาอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยเขา มักินเดืนี้แล้วเขาก็เดี๋ยวว่าเขามันว่ามันเบาแต่ว่าจนนี้มันยังปวดอยู่นะมันทุกินได้สัปดาห์เดียวเองแน่เนาะอืออย่างละสัปดาห์เองอ๋อแต่ก่อนเนี่ยคือปวดจนยกแขนยกขาไม่ขึ้นทําอะไรไม่ไหวแล้วเห็นบอกว่าใชยน้ํามันแล้วดีขึ้นอดีขึ้นมาทาตัวแล้วมันมันเบาปวดเหรอคะลุงหรือยังไงเอเขาบอกเขาเบาน่ะเขาเบาเขาบอกว่าเขาอยากได้น้ํามันอีกเขาเขาอยากจะได้น้ํามันมาทาอีก ว่มันยังชาชามือชาตีนอยู่หน่อยหนึ่งเขาบอกงั้นอืเทียบกับของเก่าที่เป็นหนักๆสมัยก่อนน่ะที่แ บ, บบปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วตอนนี้ดีขึ้นดีขึน <S <S> <S ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลงุงอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่มันว่าวตอนนี้มันแ่บเมื่อสองวันมาเนี่ยมันปวดหนักเลยกินที่แรกแค่ไม่แล้วกินที่ไออตอนไอกินที่ไอตัวไ อ, ไ อ, ไ อ, รรไอล้างสารพิษเนี่ยมันได้สั ป, ปดาห์หนึงพอพอพอตอนที่สอง พอตัวที่สองมาเพิ่มกินได้อีกอัปดาห์นึงเนี่ยปวดเลยเนี่ยปวดทั้งหัวยกแขนยกขาก็ไม่ขึ้นตอนนี้เบาแล้วเนี่ยอ๋ อ, อก็คือว่าทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันคือกินแล้วปวดมากแล้วตอนหลังก็จะหายก็เบาใช่ไหมคะอ่าแล้วลุง<ท>มองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบอะที่พวกบ้านลุงเขากินอ่ะคิดว่าราคามันแพงไหมเที่ยวกับสิ่งที่เขาดีขึ้นแล้วเพรามันจะพูดถึงว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่แพงแล้วมันถูกกับเขาอะ เขาบอกว่ามันนี่มันว่ามันเบาค่ะก็เขาบอกว่าเบาเนี่ยอ๋อเขาบอกว่ามันเบานะคะราคาไม่สูงอ่าได้เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะคนคนทานนี้อายุเท่าไหร่ล้วคะเจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีค่ะปวดเมื่อยเนื้อตัวยกแขนไม่ขึ้นชาเมือชาเท้าเ่็นไหมคะทางรายการมูลไรทต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงแพงโพสโซยเป็นอย่างยิ่งค่ะ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 ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมราคาท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาฟังแก้วเสียงคุณภาพของราชินีเพลงลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันค่ะ ทางตัวจริงเสียงจริงของคุณวินพู้เข้มกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้คุณวินแนะนําชื่อนำสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะบ้านเลขที่สิบเก้าทัสามหมู่หนึ่งค่ะตําบลบางต่างายอําเภอบรรพฤษพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหมู่หนึ่งนะคะตำบลบางตางายอําเภอบรรพฤพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะ ค, ค่ะคุณวินคะก่อนหน้าน <ะ S 1> ที่จะมารู้จักกระมวนไบรทเนี่ยคุณวินเป็นอะไรมาคะมันตึงแล้วก็ยกหมดทั้งตัวเลยอ่ะอืมค่ะเป็นอย่างนี้มากี่ปีคะโหเป็นมานานแล้วอ่าเป็นมันอ่าเป็นวาหลายปีนะหลายปีค่ะแล้วทางคุณวินนะค่ะ พยายามหาวิธีรักษามา ก, ก่อนหน้านี้ไหมยพยายามค่ะวนนี้พี่สาวเขาเขาฟังวิทยุเขาชวนเื้อเนี่ยแบ่งเขาแบ่งให้ซึ่งเนี่ยค่ะกเลยกินมาได้สองอาทิตย์วันนี้แล้วเนี่ยเรากินมาสองอาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างคะมันโล่งค่ะเพราะว่าพอกินไปแล้วมัน มันเดินสบายคล่องอะอือคือแสดงว่าช่วงช่วงแ ร, แรกเนี่ยมันกินเข้าไปมันจะปวดอ่ามันจะปวดก่อนอ่าถูกต้องแล้วค่ะช่วงแรกกินแล้วปวดมากขึ้นตกใจไหมอตอนที่ปวดมากขึ้นก็ตกใจเหมือนกันอือ แต่ในใบเขาจะบอกว่าพอกินไปสักพักมันจะเริ่มค่อยๆเบาขึ้นถูกไหมคะค่ะค่ะเพราะว่าป้ายัางกินมาไม่นานเพิ่งกินได้แค่สองอาทิตย์เองอืมก็เริ่มเบาเลยนะค่่อ่าแล้วคุณวินมองว่าผลิตภัณฑ์บนใบเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราเริ่มเบาขึ้นนะมันก็ไม่แพงค่ะมไม่แพงอะถ้าเราเริ่มเบาขึ้นเนี่ยไม่แพง แล้วก็พี่สาวก็ซื้อมาชุดใหญ่เลยมาแบง่งมาแบ่งให้ครึ่งค่ะแล้วคุณวินมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมที่เขาหาวิธีรักษาตัวเองมาเยอะหรือกลัวว่าไอที่พูดคุย ก, กันอยู่เนี่ยคือลองมาเยอะอ่ะแล้วโดนหลอกมาเยอะกลัวว่าของมูลไบจะไม่ได้ผลจะบอกอะไรกับเขาคะ ที่รู้จะบอกอะไรขอให้ถ้าเป็นเป็นอย่างก็บป้าเป็นเงี้ยก็ขอให้มะกีที่ป้ากินนะแล้วก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นป้าไม่เข้าใจพูดแค่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวขอคุยกับหลังสาวได้ค่ะรอฮะรอค่ะน้องค่ะเดี๋ยว อ่าช่วยยืนยันหน่อยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่สั่งเนี่ยน้องคนนี้เป็นคนสั่งตลอดเลยน้องชื่ออะไรคะอ๋อ ช, ชื่อรัดดาค่ะอ่ะนามสกุลค่ะผิวจูอ่าั ด, ดาผิวจูเป็นหลานของคุณวินนะคะใช่ค่ะใช่ใเออเราเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของของทั้งอ่า คุณวินแล้วคุณนกค้านี่คือเป็นอะไรก่ะทางคุณคะอก็เป็นป้ากับนะอ๋ออ่ะคุณคุณวินกับ น, นกค้านี่สั่งมาเนี่ยเป็นป้ากับนา้าใช่จ้ะค่ะแล้วคุณรั ด, ดาได้เห็นอะไรในความเปลี่ยนแปลงของทั้งอสองคนบ้างไหมคะก็ค่ะก็เห็นก็เห็นน้านี่คือแก จ, จรินด้วยแต่แกก็ทำงานด้วยอแต่เขาก็บอกว่าเขาว่าคล่องตัวนะค่ะออเห็นเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเมื่อยค่อยปวดเหมือนเมื่อก่อนไม่เจงเมืนมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกแก แต่ทันแตะแกก็ทํางานด้วยเลยนะก็ทําทงานตาลอกอืมก็เรียกว่าเบาตัวขึ้นดูแล้วเออทางานได้มากขึ้นใช่จ้ะใชค่ะทางรายการบูนไบ้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณวินและก็คุณรัดานะคะที่วันนี้ได้มายืนยันให้ใความมั่นใจกับท่านผู้ฟังทางวิทยุนะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะจ้าส ว, วัสดีค่ะ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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณเพนจันทร์ทรัพถนอมกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าไอคุณป้าแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่เลยค่ะเพนจันทร์ทรับยถนอมบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหมู่ห้าบางต่ง า, างายบรรพุธนี่แหละจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ่าบางตางายบรรพุพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณป้าแต่เดิมป้าเป็นอะไรมาลนะ่ะโอ้ขามันตึง ตึงมันไม่ได้เก็บปวดหรอกมันตึงเฉยตึงไม่ปวดนะแต่พอมาฉีดแล้วมันก็เบาขึ้นนะ่ะเบาขาตึงเนี่ยเป็นมาป็นกี่ปีแล้วคะนี่เปนมานานแล้วอ๋อขาตึงนี่เป็นมานานแล้วจ้ะอ๋อค่ะฟังรายการก็เลยโทรโทรสั่งก็มาฉีดอื ม, มพอฉีดเข้าไปมันก็เย็นมันก็เดินแบบไม่ตึงมันก็เบา อ๋อค่ะตึงนี่เป็นมาเป็นมานานแล้วกี่ปีกี่ปีป่ะหลายปีแล้วนานจริงๆแหละรักษาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วป้าป้ามองว่าเอผลิตภัณฑ์มูลไว้ในราคาแพงไปไหมเมื่อเทียบกับที่ป้าหายตึงนะไม่แพงแล้วค่ะไม่แพงค่ะเอ่เอแล้วคุณป้ามีอะไร<อ>จะฝากบอกกับท่านผู้ฟังไหมบางคนนะ่ะกลัวว่าพวกเราเนี่ยเป็นหน้าม้ากันแบบไม่ได้กินจริงมาไม่ได้เป็น ดีดีดีมากๆที่เรากินนี่นะไม่ใช่หน้ามาหรอกสั่งมากินเลยค่ะถ้าใครเป็นอย่างนี้นะเดือดึงขาตึงแขนแบบมันไม่ชานแต่มันตึงค่ะอืมดีดีดีค่ะแล้วคุณป้าคุณเอ่อคุณป้าหมดเงินไปเยอะไหมที่รักษาก่อนหน้าที่จะใช้มูลไบอ่ะที่บอกว่าเป็นมหลายปีอ่ะเป็นแสนเลยจะนอ้ยเป็นแสนจะนอ้ะค่ะ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 ทาอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยและรวมถึงช่วยไล่มแมลงที่ไม่พึงประสงค์รอบๆตัวท่านได้ด้วยนี่คือเป็นประโยชน์ของน้ํามันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสุชาติกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้คุณสุชาติแนะนําชื่อนำส ก, กุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะครับผมชิดเอกสุชาติชิดฉายครับค่ะ อ ย, อยู่ที่ไหนคะอยู่มัน้นที่ยี่สิเก้าหมู่สองตําบลท่ายิ้วอำเภอบรรพทพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะตําบลท่างิ้วอำเภอบรรพทพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะครับเป็นสิบเอกนะคะครับผมถ้าสิบเอกสุชาติคะอาการก่อนที่จะมาใช้มุนไรเป็นอะไรมาคะก็ปวดเขา่าปวดปวดหลังะครับเป็นมากี่ปีคะเป็นมานประมาณแปดเดือนครับอืมแปดเดือน แล้วเวลาปวดหลังปวดขานี่เวลาใช้ชีวิตลำบากไหมมันก็ลำบากครับเดินเดินงอขาอะไรก็ไม่ค่อยได้ครับ อ, อ๋อหมงอนะมันเหมือนกับคนเดินขาเหยียดไม่ได้แบบงอก็ไม่ได้มันตึงไปหมดใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วเวลาขับรถเครื่องหรือเวลาเดินไกลๆนี่ปวดไหมก็ปวดครับอืมเป็นเยอะนะครับค่ะ แล้วอาชีพอาชีพเดิมนี่เป็นอะไรคะตำรวจเลย<อ>ท่าน อ, อาอาชีพเก่าเป็นทาหารครับแต่พักราช ก, การอยู่ครับ<โ>อ๋อค่ะเป็นทาหา ร, รเนาะมันก็ต้องใช้ขาใช้กําลังเยอะยกของหนกักฝึกหนกักถูกไหมครับครับค่ะแล้วสิทเอกสุชาตนี่มารู้จักกับมูลไบได้ยังไงจ้ะอ๋อฟังจากวิทยุอะครับอ๋ออ่ะแล้วก็ตัดสินใจสั่งของมูลไบมาเลยค่ะครับผม แล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างของมลของเราก็มันก็ดีขึ้นเยอะครับอือช่วยเล่าอาการที่ดีขึ้นหน่อยคะ่ะว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างมันก็เหยียดขาได้เดินได้ดีอะครับอ๋อนี่คือจากเดิมที่แบบว่าเหยียดขาลําบากมันตึงไปหมดเดี๋ยวนี้เหยียดขาได้แล้วครับผมครับอือแล้วเอ่อที่บอกว่าปวดหลังอะคะ่ะเป็นไงดีขึ้นบ้างไหมแล้วก็หายอะครับดีขึ้นครับอ๋อหายเลยนะคะ ครับผมค่ะสิบเอกสุชาติอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุห้าสิบสามปีครับห้าสิบสามนะคะคือเรียกว่าดีขึ้นหมดเลยแล้วสิบเอกสุชาติมีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมบางคนเนี่ยไม่กล้าโทรสั่งเพราะกลัวว่ากระโดนหลอกจะยืนยันยังไงดีอันนี้ก็ไม่ไม่มีหน้ามา้าไม่มีอะไรอะคืออันนี้ผมสั่งจริงแล้วก็มาใช้จริงครับอืม เสร็จแล้วก็คือนนอันนี้ก็แต่น้องของเมียเขาก็มีอาการนะคะอย่างกับผมเนี่ยเขาก็เลยอยากจะใช้มั่งก็ก็ขอขอเบอร์ผมหาไม่เจอเนี่ยสั่ง <c oughs> เปิดในอินเทอร์เนต็ตนะครับก็เลยอ่าจะบอกเบอร์ให้เขาสั่งซื้อมาครับอ๋อก็เรียกได้ว่าคือเป็นตัวจริงเนาะไม่อย่างนั้นจะแนะนําให้น้องเมียใช้ได้ไงถูกไหมอ่าครับแล้วก็ เราก็มีตัวตนวนะคะค่ ะ, คะ ท, าทางรายการมูลไ้า์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสิบเอกสุสชาติ<ม>ที่อยู่ตำบลช่างิ้วอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะครับผมบขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตะคริวนิ้วล็อกชามือชาเทา้า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 one h o เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณเงินขันบุญกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะให้คุณเงินแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะพร้อมนายเงินขันบุญครับค่ะอยู่ บ้านชุ ม, มวงชุมตาบงเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ครับหมู่อะไรคะมหมูสีสีครับอ่าหมูสีนะคะค บ, บ้านชุมมวงตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังห ว, วัดนครสวรรค์นะคะครับค <household S 2> ่ะคุณเงินขันบุญเนี่ยอาการที่เป็นมาก่อนอะเป็นอะไรมาคะโลอกเก <ขะ S 1> ่าค่ะปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าตามข้อครับค <ขะ S 1> ่ะปวดตามข้ออืม ปวดหัวเข่าขัดตามข้อแล้วมีอะไรอีกคะก็โรคความดันค่ะแฟนก็ได้เบาหวานลดไปเลยของภรรยาก็เป็นเบาหวานอ่าภรรยาก็เป็นเบาหวานซื้อมาชุดหนึ่งแบ่งกันกินคนละเดือนถูกไหมอ่ะแล้วถามนิดนึงอาการของคุณเออเงินเนี่ยเวลาเป็นเกานี่คืออะไรนะข้อแขนข้อขาหัวเข่าบวมเลยนะคข้อดขเ้าครับข้อเท้าอ๋อข้อเท้าบวม ครับปวดเดินลโลดเดินไม่ไหวเดินต้องคานฮะ เ, เ, เดินตามบ้านอะไรยี้ต้องคาดหลยเข้าห้องนำอ๋อเดินตามบ้านต้องคานอ๋อเดี๋นี้ไม่คาดแล้วอืมได้ซื้อผลิตภัณฑ์มูลใบไปเนี่ยเ อ, อ่อตอนนั้นซื้อชุดใหญ่แบ่งกับภรรยาคนละเดือนกี่วันคะถึงรู้เริ่มรู้ว่าดีอะ่ะเลยปวดโถวแล้วอยู่ไม่ได้ปวดรู คนกินค่ะออันนั้นก็ค่อยหายไปหายไป อ, ะอ่ะปดแค่วันเดียวแสดงว่าเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์กันใช่ไหมว่ากินช่วงแรกไอตัวไายเส้นแล้วจะปวดถูกไหมเออนั่นแหละปวดทั้งคู่ทั้งคู่นองคู่กันเลยอืออมันดึงเส้นอะเนาะแต่มันปตรงกับที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะท่านผู้ฟังว่ากินแล้วมันจะปวดมากขึ้น ค่ะคุณเงินคะเดี๋ยวถามเออเป็นคำถามสุดท้ายนะคะคุณเงินคะครเรื่องเส้นนะคะคุณเงินมองว่าถ้าไม่ดูแลปล่อยให้มันหายเองมันหายเองได้ไหมผมว่ายากอะ่ะค่ะหายากผมก็กถาบ ม, มาตั้งแต่ไอ้เมื่อค่อนผมไปยุงเทียนนะอยู่พระประแดงอะ่ะ สิบกว่าปีแล้วเนี่ยกลับมาบ้านก็ยังปวดอยู่กินยาอะไรก็กินเปแลมอละพันสองพันสองพันกว่าสองพัแปดจ น, นมยังกินเลยปวดมาสิบกว่าปีกินยามอลมสองพันแปดก็ยังไม่หายครับอืมคือรักษามาทั่วหมดเงินมาเยอะไหมที่มารักษาตัวเองเนี่ยโอ้หลายหมื่นนะเป็นแสนมากโอ้เป็นแสน ค่ะครับอือแล้วตอนนี้ทำงานได้เนาะค่ะทํางานได้กับมีเงินซื้อหน่อยอืออ่าพอไเจอเจอมูลไบชุดชุดเดียวเนี่ยราคาก็ไม่สูงแล้วก็ดีขึ้นด้วยถูกไหมครับเนถูกสุดเลยนะที่มาเนี่ยอืออย่ารากาไม่หายมามาถูกนี่แหละรายการมูนไบนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเงินขันบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาบอกเราเก้าสิบ เกี่ยวกับความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรท์จ้าชามือชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ำมันมูลไบรท์จะปวดหรือชาแค่ไหนอย่าลืมใช้ชุดน้ำมันมูนไบรท์สอบถามได้ที่เบอร์ศูนแปดหนึ่ง สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดจำศูนย์ดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะฟังเออฟังอยู่ไรนครสวรรค์กินจะครึ่งบ้านแล้วอะค่ะบอกเอาไปให้แม่ดองแม่ดองเขาก็บอกว่าดีเนี่ยอยู่จุม่วงเนี่ยนะค่ะ จะยีนนะดูเลยจะเอาอีกเนี่ยอีกชุดนึ่งอ่ะวิมนขันบุญนะค่ะอ่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่สามค่ะค่ะโมซีค่ะจะตำบลอะไรคะตำบลไร่ฟองตำบลชําบงตำบลชมตะบงค่ะอำเภอชมตะบงนะคะจ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ย <Yeah. S 1> าค่ะคุณวิมลคะอาการก่อนหน้านี้เป็นอะไรมาจ๊ะค่ะเป็นอะไรไมลูกเป็นก้อนอยู่ที่นมเนี่ยนะก้อนเล็กเล็กแล้วกินเข้าไปแล้วหายไปเลยเนี่ยแล้วก็ปวดขาเนี่ยมันก็หายเนี่ย okay, okay, ออกปอกจากน้ำมันนะออกจากนอกงุงเนะี่ยจะคันออกครั้งแรกอะนะค่ะเอต่อมาไม่ได้คันแล้วลูกขึ้นไปได้เลยเนี่ย อืมดีจริงๆไวไลน์เนี่ยว่าอืมแสดงว่าสมัย <ตบ S 1> ก่อนสมัยก่อนก่อนใช้มูลไบเนี่ยจะออกนอกมุงนี้ต้องขานคือปวดไมหมจะจ ะ, จะปวดไหมจะป ว, ปวดแถวไหนบ้างคะปวดไอ<ว>ดำ<ป>ขาดำหลังเนี่ยหลังเนี่ยเคยตกล้มมาอยู่ที่บ้านลูกะนะค่<ฮ>ะเจ็บหลังเนี่ยก็ดูกอ่ะอืมเคยตกล้มมา จะทีนี้ก็หายหมดเลยเนี่ยกระดูกอะไรก็ไม่ปวดเลยอะทุกวันเนี่ยนะค่ะค่ะมันหมดแล้วก็จ ะ, จะสั่งเองเนี่ยอืมแล้วคุณมีคนมองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบส์เนี่ยแพงเกินไปไหมไม่แพงค่ะอืมพอใช้ได้อ่ะอืมก็อมบอกเขาคนชุมว่วงเนี่ยบอกว่าที่ขาเขาไม่ดีนะอบอกเขานะค่ะ เนี่ยแฟนในเงินเนี่ยเดินเปาะแป๊ะเปาะแป๊ะเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินตรงแล้วเดินดีแล้วเนี่ยเออไม่ต้องคานเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าสมัยก่อนนี่คลานกันทั้งคู่ออกจากหมูโอ้โหเดินนี่ไปขอไม้ที่โรงบานนะน้อไม้มาคำคำเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้ว อืมไม่ใช้ละดีขึ้นมากเลยอะ่ะอก็ไปบอกคุณที่จ๋าค่ะคุณวิมลคะถ้าเกิดมีคนนะฟังวิทยุแล้วเขาไม่มั่นใจว่าสั่งกันทางวิทยุ่็ ก, กลัวจะเป็นหน้ามา้ากลัวโดนหลอก<ะ>คุณวิมล จ, <ะ>จะบอกอะไรกับพวกเขาคะจะบอกว่าดีไม่เป็นหน้าม้าหรอกจริงดีจริงๆเมื่อวานนี่ก็ไปบอกคนข่าวจักรจันท าารายการูุไบานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิมลขันบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะทนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใช้ถ้าใช่ชุดน้ามันมูลไบร์คือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4ปดหนึ่งสามเก้าสี่ห